พอทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมอนแม่เหล็กแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็กต่างๆที่อยู่รอบข้างเข้าไปหาตัวแม่เหล็กธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดึงดูดจิตใจของผู้ที่ปรารถนาที่ ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆผู้ที่มีความปรารถนาที่จะได้มีความสุขที่แท้จริงจะเข้าหาธรรมะกันเพราะธรรมะนี้เป็นแหล่งของความรู้ที่จะพาให้ผู้ที่รู้นี้ดับความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตอนนี้ถ้าไม่มีธรรมะใจของสัตว์โลกนี้จะมีทั้งความสุขและมีความทุกข์คุกเข้ากันไปจะไม่สามารถมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้เพราะความสุขที่สัตว์โลกแสวงหากัน เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมอยู่ด้วย เ, เหมือนอาหารสมัยนี้ที่มีสารพิษ ต, ต่างๆผสมอยู่อยู่ด้วยรับประทานไปแล้วมักจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาถึงแม้จะเป็นประเทศที่จเจริญก้าวหน้าอย่างสหรัฐอเมริกานี่ก็ต้องมีอาหารที่เป็นพิษอยู่ ทั้งๆ ท, ที่มีการตรวจตามีการอะไรอยู่อย่างสม่ําเสมอก็ยังมีรายงานก่อนับประทานอาหารบางชนิดรับไปทานแล้วก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วก็มีอาหารที่ไม่มีใครรู้ว่ามีสารเจือปนอะไรอยู่บ้างที่ทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บในระยะยาวโรคมะเร็งนี้ เป็นผลที่เกิดจากการเอาสารต่างๆที่เข้ามากับอาหารกับเครื่องดื่มแล้วก็ไปสะสมอยู่ในร่างกายแล้ววันดีคืนดีพอถึงเวลาที่มันมีกำลังมากพอมันก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมา ความสุขต่างๆที่มนุษย์เราหากันในโลกนี้ก็เป็นแบบนั้นเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ผ่อนส่งเราไม่รู้ว่าเรากำลังผ่อนส่งความทุกข์กันเวลาเราไปหาความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เรากำลังไปผ่อนส่งความทุกข์กัน เดี๋ยวความทุกข์ก็จะตามมาตอนต้นแล้วเขาจะให้เรามีความสุขก่อนไปดูไปฟังไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็เกิดความสุขกันเช่นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไ ป, ปโรงภาพยนตร์โรงละครไปร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม เวลาได้ไปตามแหล่งเหล่านี้สถานที่เหล่านี้ก็มีความสุขกันแต่วันข้างหน้าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถไปสู่แหล่งเหล่านี้ได้สถานที่เหล่านี้ได้เวลานั้นก็จะไม่มีความสุขกันเวลานั้นก็จะมีความทุกข์กัน นี่คือความสุขที่สัตว์โลกอย่างมนุษย์พวกเรานี้แสวงหากันเป็นความสุขที่จะต้องพบกับความทุกข์ช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สิ่งที่เราไปสัมผัสรับรูบร้ว่าจะหมด ไปเร็วหรือหมดไปชา้าหรือความสามารถของเราที่จะหาความสุขต่างๆที่มีในโลกนี้จะหมดไปเร็วหรือหมดไปชา้าถ้าหมดเร็วความทุกข์ก็มาเร็วเช่นถ้าเราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆพอเงินทองหมดความสุขที่เคยได้ก็จะหมดไป พรไม่มีความสุขความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ความสุขกับความทุกข์นี่นมันเหมือนกับาแสงสว่างกับความมืดเหมือนกลางคืนกับกลางวันมันจะไม่อยู่ที่เดียวพร้อมกันมันจะถัดกันมาถ้าสว่างมันก็จะไม่มืดถ้ามันมืดมันก็จะไม่สว่าง ความสุขของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามันสุขมันก็จะไม่ทุกข์พอมันไม่สุขมันก็ทุกข์ขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่พวกเราหากันเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เรารู้รู้ว่าให้ความสุขกับเราแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องให้ความทุกข์กับเราต่อต่อมา แต่เราก็ไม่รู้จักความสุขแบบที่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายได้ดูกันนั่นก็คือความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่เป็นความสุขที่ต้องผ่านความทุกข์ก่อนจะเข้าถึงความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบนี้จะต้องผ่านความทุกข์ก่อนทุกข์ที่เกิดจากการที่เราต้องทิ้งความสุข ต่างๆที่เรามีอยู่ไปตอนนั้นมันก็จะทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าก่อนจะพบกับความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าก็ต้องทิ้งความสุขปลอมก่อนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ในพระราชวางังมีความสุขทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาทางลาบยศสรรเสริญ แต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันมีความทุกมาปนอยู่ด้วยไม่ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้เมื่อไม่มีความสุขก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพระองค์เลยยอมทุกทุก่อนที่จะไปเจอทุกที่ แก้ไม่ได้ตอนนี้เอาทุกแบบที่ยังแก้ได้คือยามสละความสุขที่เคยมีเคยหาได้ความสุขของพระราชกุมารความสุขในพระราชวังแล้วก็ออกไปบวชอยู่ในปา่าตอนนั้นทุกทุกทรมานเพราะไม่มีความสุขที่เคยมี แต่ก็พยายามเร่งสร้างความสุขขึ้นมาใหม่หาความสุขแบบใหม่หาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ก็ไปศึกษาจากอาจารย์ต่างๆศึกษาวิธีสร้างความสุขแบบใหม่ที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็สามารถสร้างได้ในระดับหนึ่งคือสร้างได้ในระดับชั่วคราว ยังไม่สามารถสร้างความสุขแบบใหม่นี้ให้อยู่แบบท้าวรไปตลอดได้เพราะไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะหาความสุขแบบใหม่นี้โดยที่จะให้มันมีอยู่ได้ตลอดเวลาวิธีหาความสุขแบบนี้ก็คือวิธีฝึกจิตวิธีฝึกสมาธินี่เอง ถ้าไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ <c oughs> จะเกิดความสุขแบบใหม่นี้ขึ้นมาแต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสุขแบบใหม่นี้ก็จางหายไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆความเย็นของน้ำก็ยังมีอยู่แต่จะเริ่มลด ความเย็นลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดความเย็นก็หายไปความสุขที่ได้จากสมาธิก็เป็นแบบนั้นเวลาอยู่ในสมาธิก็มีความสุขเต็มที่พอจากสมาธิความสุขนั้นก็ค่อยๆจางหายไปก็เลยได้พบกับความสุขในระดับนี้ก่อนเพราะมีคนสอนเพียงใะระดับนี้ ครูบาอาจารย์ต่างๆก็สอนให้เข้าสู่สมาธิในระดับต่างๆในระดับรูปฌานในระดับอรูปฌานที่มีความสงบตกต่างกันไปมีความสงบมากน้อยต่างกันไปรูปฌานก็มีความสงบน้อยกว่าอารูปฌานรูปฌานก็มีแบ่งเป็น4ระดับรูปฌานหนึรูปฌานสองรูปฌานสามรูปฌาน4ี่ ที่มีความสงบมากน้อยต่างตามลำดับต่างกันไปแล้วเหนือจากรูปฌปานก็ยังมีอรูปฌปานที่มีความสุขมากขึ้นไปมีความสงบมากขึ้นไปจนถึงขั้นสัญญาเวดิวดตะนิโรธสมาบัติเป็นความสงบที่เต็มร้อยแต่ก็เป็นความสงบที่อยู่ได้ชั่วคราว เพราะว่าร่างกายมีภารกิจที่จะต้องคอยดูแลจะไปเข้าฌานอยู่ในนั้นตลอดไม่ได้เดีย๋ยวร่างกายหิวน้าร่างกายปวดฉี่ร่างกายต้องการอาหารก็ต้องออกมาพวกฤกษสีที่เขาเข้าฌานสมาบัตนินี่บางทีเขาเช้าเข้าได้เป็นอาทิตย์เนี่ยเป็นเดือนพระพุทธเจ้าเคยอดอาหารได้สี่สิบเก้าวัน แต่พอออกจากสมาธิมาเอความทุกข์ก็กลับขออกก็โผล่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบหายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าก็ะไรอยากจะรู้ว่าทําไมจึงไม่สงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิอก็ค้นคว้าด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้ ก็สองค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้ความสุขหายไปนั้นก็คือตัณหาความอยากตัณหาความอยากที่เป็นกิเลสมีอยู่สามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะเรียกว่าเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโต อันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่เป็นอคือความอยากไม่ไม่สูญเสียความเป็นใหญ่เป็นโตวเวลาเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นไปเรื่อยเอเวลารวยก็อยากจะรวยไปเรื่อยอืมเวลาได้รางวัลก็อยากจะได้รางวัลไปเรื่อยจะไม่อยากสูญเสียเอ สิ่งที่ได้มาไปแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียร่างกายร่างกายนี้ก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตายเนีพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาความสงบที่ได้ที่ได้จากสมาธิความสุขที่ได้จากความสงบก็จะถูกทำลายไป พอเราอยากปั๊บ ใ, ใจเราจะอึดอัดขึ้นมาทันทีกวลกังวายกระสับกระสายกระตือลือร้อนใจร้อนขึ้นมาทันทีพออยากได้อะไรแล้วใจจะรุ่มร้อนขึ้นมาความเย็นที่ได้จากความสงบจะหายไปอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนของสัตว์โลกทั้ง ทุกสัตว์แต่ไม่มีใครรู้กันว่าไอ้ตัวสามตัวนี้เป็นตัวที่จะทำลายความสงบทำลายความสุขที่เราหามาไดา้ก็เลยยังไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงอย่างถาวรวิธีทางโลกก็ไม่สามารถที่จะ ให้ความสุขอย่างเดียวได้ความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีความทุกข์ผส ม, มมาด้วยความสุขที่ได้จากความสงบก็เป็นความสุขชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็ยังเข้ามาได้อยู่พอพระพุทธเจ้าสงคนพบสาเหตุ ว่าตัวที่ทำให้ใจทุกข์วุ่นวายเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็คือความอยากนี่เองก็เลยรู้ว่าต้องหยุดความอยากและการที่จะหยุดความอยากได้ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันมีความทุกข์ผสมด้วยต้องรู้ว่าความอยากในราบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะนี่ มีความทุกข์ตามมาเป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดนี่เรารู้กันว่ามันให้ความสุขแล้วมันก็ให้ความทุกข์กับเราเราจึงไม่กล้าเสพยาเสพติดกันทันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันในโลกนี้เช่นราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกมือกายนี้มันก็เป็นเหมือนยาเสพติด เพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงไม่เฉียบพลันเหมือนกับยาเสพติดมันค่อยๆทำลายเราค่อยๆก่ อ, อสร้างความทุกข์ให้กับเราเหมือนไม่เห็นแบบชัดเจนเหมือนยาเสพติดแต่มันแบบเดียวกันเราเสพมันเราติดมันเราติดลาบยศสรรเสริญเราติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแลวเราก็ พอที่จะออหามาได้อยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับยาเสพติดนี่บางทีหายากเพราะตำรวจเขาคอยตามจับคนขายอยู่เรื่อยๆแล้วสองมันแพงคือมันต้องใช้เงินซื้อมากสามมันทำให้เราทำอะไรไม่ได้พอเราเสพยาแล้วเราก็จะนอน พอตื่นขึ้นมาก็เสพเอกีก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปหาเงินหาทองไปทำงานทำการส่วนญาเสพติดที่คนทั่วไปเสพกันนี่มันไม่ดุลแรงมันไม่เฉียบพลันมันยังปล่อยให้เราไม่เวลาไปทำงานได้แล้วติดรูปเสียงกิิ่นรถเราไปก็เที่ยวพอเที่ยวปับพอถึงวันทำงานเราก็หยุดเที่ยว เราก็ไปหาเงินหาทองกันใหม่มันก็เลยทำให้เร า, เาสามารถที่จะเสพสิ่งเหล่านี้ไปได้นานจนทำให้เราลืมไปว่ามันจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถเสพสิ่งเหล่านี้ได้คือเราอาจจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะมันเกิดเหตุการณ์นั่นขึ้นมามันก็จะเหมือนกับทันหันคนบางคนนี่อยู่ได้ดีก็ล้มละลายเงินทองหมดก็มันก็ไม่ได้หมดทันทีทันใดแต่มันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวเงินทองที่มีอยู่ก็ต้องหมดไปพอหมดทีนี้จะเอาอะไรมาซื้อความสุขต่างๆ เมื่อไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้ก็จะกลายกลายเป็นความทุกข์ขึ้นม า, าก็เป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดเวลามีเงินซื้อก็มีความสุขซื้อมาเสพกันแต่เดี๋ยวเงินหมดก็ไม่มีเงินที่จะซื้อยาเสพติดถ้าจะซื้อก็ต้องไปขโมยไปรักเงินทองของคนอื่นมาซื้อต่อ ถ้าเดียวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางช่วงขณะอยู่ในคุกนี่จะทารมานมากถ้าไม่มียาเสพติดขึ้น อ, อยู่ว่าติดมากติดน้อยถ้าติดมากก็อาจจะถึงกับตายไปก็ได้เพราะทนพิษของยาความต้องการยาไม่ได้เวลามันถอนถอนออกจากร่างกาย นี่มันทรมานยาที่เคยอยู่ในร่างกายพอไม่มียาใหม่มาเติมมันก็จะถอนมันก็จะน้อยลงไปพอน้อยลงไปอาการอยากมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มจนกระทั่งทรมานมากจนบางคนทนไม่ไหวก็ตายไปอแลนี่คือความสุขที่พวกเรามนุษย์นี่หากัน หาจากสี่อย่างเนี้หาจากลาภยศสรรเสริญหาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัณฑถ้าหาได้ก็มีความสุขหาไม่ได้ก็มีความทุกข์แต่พวกเราโชคดีที่เรามาอยู่ในยุคที่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เราหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์คือความสุขที่เกิดจากการฝึกจิตฝึกใจนั่งสมาธิทำใจให้สงบและเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้รักษาความสงบด้านได้สองวิธีวิธีชั่วล่าวก็ฝึกสติต่อไปพุโทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิด พอความคิดนี้เป็นตัวนำให้เกิดความอยากถ้าเราให้คิดอยู่กับพุโทโธพุทโธมันก็จะไม่มีความอยากพอเราไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากรับประทานคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มขึ้นมาเราเกิดความอยากที่ใจก็กังวลกัาวยก็สับกระสาย หงุดหงิดนำคานใจนี่เป็นอาการของความทุกข์ใจแล้วเราก็เลยทนไม่ไหวก็เลยต้องไปบาบัดด้วยการไปทำตามความอยากพอไปทำตามความอยากอาการหงุดหงิดอะไรต่างๆก็ระงับไปชั่วคราวจนกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราได้มามันหมดไป ความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาเ อ, อวิธีแก้ก็คือเ อ, อถ้าใช้สติกับพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันอยากแต่มันจะเป็นการแก้แบบชั่วคราวถ้าเราเผยสติเมื่อไหร่ใจไปคิดถึงสิ่งต่างๆเมื่อไหร่ความอยากก็ยังโผล่ขึ้นมาได้วิธีที่จะแก้อย่างท้าวรก็ต้องใช้ปัญญาเ อ, อ ปัญญาก็คือต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันจะกลายเป็นความทุกข์เป็นความสุขตอนต้นได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็สุขเดี๋ยวสิ่งที่เราได้หมดไปมันก็จะทุกข์ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆยิย่งหาก็ยิ่งอยากได้มามากก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ความอยากจะไม่มีวันหมดต่อให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรของที่เราหามาได้มันจะต้องหมดแต่ความอยากได้ของนั้นมันจะไม่หมดนะพอเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ความไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้ความอยากหายไปก็ต้องเห็นว่าการทาตามความอยากนี้มัน จะทำให้เราต้องไปเจอความทุกข์ต่อไปสู้อยาไปทาตามความอยากดีกว่าถ้ามันหงุดหงิดไม่สบายใจก็ใช้สติหยุดมันควบคุมมันอันนี้ใช้ทั้งสติใช้ทั้งปัญญาถ้าใช้สติอย่างเดียวก็ควบคุมโดยที่ไม่รู้ว่าควบคุมทำไมอันนี้จะทำให้ความอยากไม่หมดแต่ถ้ามีปัญญาด้วย ที่สอนบอกว่าทําไมเราต้องไม่ทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากนี้จะเป็นการพาเราไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์เรารู้ว่าการทําตามความอยากจะพาให้เราไปเจอความทุกข์เราก็ไม่ทำํำเช่นถ้าเรารู้ว่าจะไปเที่ยวที่นั่นแล้วจะน้ําจะท่วมนี้เราจะไปกันไหะ ช่วงนี้เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเราต้องตรวจดูสภาพอากาศนะตอนนี้จังหวัดไหนน้ำท่วมเราจะไปไม่ถึงไม่อยากจะไปไม่ไปใช่ไหมก็เรารู้ว่ามันเป็นภัยกับเรามันเป็นทุกข์กับเราเราก็ไม่ไปจะได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันก็เป็นอย่างนั้ น, นาลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไัยเนี่ย มันเหมือนเป็นสถานที่มีน้ำท่วมอยู่แต่เราไม่รู้กันเพราะตอนที่เราดูมันไม่ท่วมมันจะท่วมตอนที่เราไปพอไปถึงน้ำมันถึงจะท่วมเราก็เลยไปกันเราอยากได้อะไรเราก็เอากันหามากันพอหามาได้แล้วทีนี้มันก็จะท่วมเลยมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ละเนี่ย ได้ยินคนที่ซื้อรถมาใหม่ๆเนี่ยเวลาจะขับไปไหนทีนี้ระมัดระวังเหลือเกินกลัวเหลือเกินกลัวจะเฉียวกลัวจะชนกลัวจะอะไรสู้คนขับรถเก่าไม่ได้คนขับรถเก่าๆนี้เฉยยังไงก็ได้มันเก่าแล้วมันจะพังก็พังไปเพราะมันจะพังอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยวิตกเท่าไหร่ พอเราได้อะไรมาใหม่ๆนี่เราจะรักจะหวงจะห่วงแล้วเวลาสูญเสียไปก็จะเสียใจนี่คือความทุกข์ต่างๆที่ตามมาจากการที่เราไปได้อะไรมาเป็นของเรานนี้คือปัญญาต้องเห็นว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้พาไปเราสู่ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์อยู่เหมือนน้ำตาที่เคลือบยาขมพอเราอมยาเข้าไปใหม่ๆก็หวานเดี๋ยวน้ำตาที่เคลือบละลายหมดทีนี้ก็จะลดของยาที่ขมเราจึงไม่ออมไม่นานเรารีบเกินกันเพราะไม่อยากที่จะเจอความขมของยา ฉัในใดสิ่งต่างๆที่เราหากันนี่ก็เป็นความทุกข์ที่เคลือบความสุขบางๆเวลาได้มาก็ดีอกดีใจมีความสุขกันแล้วก็ต่อมาก็ต้องถ้ายังเป็นของที่ยังต้องดูแลรักษาก็ต้องห่วงต้องห่วงต้องวิตกกังวลต่างๆแล้วเดี๋ยวเวลาสูญเสียมันไปก็เศร้าโศกเสียใจ เพราะไม่มีอะไรที่จะไม่มีการสิ้นไม่มีการหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาที่เราจะเอามาสอนใจเพื่อให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราอยากเช่นรับประทานอาหาร ที่เราไม่ยังไม่ถึงเวลาจะต้องรับประทานแต่ความอยากเกิดขึ้นก่อนถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องนึกถึงอาหารที่ไม่น่ารับประทานนึกถึงตอนที่มันไม่น่ารับประทานอย่าไปนึกถึงตอนที่มันน่ารับประทานถ้านึกถึงอาหารในจานในรูปภาพที่ร้านอาหารเขาถ่ายมาให้ดูนี่เห็นแล้วน้ำลายก็ไหลอยากจะรับประทาน ละประนึกถึงอาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากหรืออาหารที่เกินอยู่ในท้องหรืออาหารที่ถ่ายออกมานี่ถ้าเห็นอาหารเหล่านี้แล้วความอยากรับประทานอาหารมันก็จะหายไปจะควบคุมน้ำหนักได้จะควบคุมโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากน้ำหนักเกินได้ ไม่ต้องเสียเงินไปออกกําลังกายให้เหนื่อยเสียเงินไปที่สถานฟิตเนสต่างๆ mm hmm. เพราะว่าพอไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสเสร็จก็หิวอะไหิวละไม่หิวน้ําก็หิวอาหารละหิวขนมละมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลดเนี่ยลดไปหนึ่งกิโลพอเสร็จก็มาเด่มมารับประทานเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม คนที่ไปลดน้ําหนักที่ฟิตเนี่ยจึงไม่ค่อยได้ลดกันะวิธีลดมันก็ต้องใช้เหตุผลเลยน้ําหนักมันมากกเพราะเรากินมากได้น้ําหนักน้อยก็กินน้อยแต่ทานั้นเองแต่มันสู้ความอยากกินไม่ได้เท่านั้นใจพระเจ้ามีเครื่องมือให้เราใช้ต่อสู้กับความอยากรับประทานแต่เราต้องกล้าใช้มันเราไม่ค่อยกล้าใช้มัน เราไม่ค่อยกล้าคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาเคี้ยวเวลาผสมกับน้าลายตอนนั้น อ, ร, อร่อยมากถ้าอยากจะดูหน้าตามันว่ามันอร่อยยังไงก็ควรจะคลายออกมาคลายออกมาในจานแล้วค่อยตักเข้าไปกินใหม่ดูซิว่าจะกินลงไหมจะเกินลงไหมหรืออาหารที่อาเจียนออกมาแล้วก็ตักกลับเข้าไปกินใหม่ได้ไหม มันก็เป็นอาหารมันอยู่ในท้องเราทำให้เวลาอยู่ในท้องเราไม่มีปัญหาพอเวลาออกจากท้องเราแล้วจ้ากกับเข้าไปใหม่เอาเข้าไปไม่ได้ใช่ไนี่คือความรักความชังของใจใจนี่ไม่ได้กินอาหารนั่งกายมันไม่เดือดร้อนะจ้อาอาเจียนกลับเข้าไปในปากมันก็ทำได้ จะเอ า, อาหารที่เราคายออกมาจากปากลอกกลับค่อยไปกินได้ถ้าเราไม่ไปรับรู้สัยอย่างถ้าใจไม่ไปรับรู้สัยอย่างร่างกายมันรับได้ทุกอย่างแต่พอมีใจมาเกี่ยวข้องด้วยใจนี่แหละเป็นตัวที่ไปรับไปช้างอาหารเข้าถ้าเป็นอาหารที่มันชอบมันก็เท่าไหร่มันก็เอายัดเข้าไปได้แต่พอไปเจออาหารที่มันไม่ชอบแม้แต่หยดหนึ่งมันก็ไม่ให้เข้าไปในปากเห็นไหเนี่ละ นี่คือวิธีแก้ปัญหาต้องมองมุมกลับอย่ามันมันชอบอาหารก็ต้องไปให้มันมองในมุมที่มันทำให้มันไม่ชอบอาหารมันมีมุมที่มันชอบกับมุมที่มันไม่ชอบพอไปเห็นมุมที่มันไม่ชอบมันก็กินไม่ลงเลยก็เลยลดน้ำหนักได้สบายไม่ต้องไปออกกำลังกายไปวิ่งไปเต้นให้เหนื่อยเปล่า ิเต้นเสร็จเหนื่อยเสร็จเดี๋ยวก็หิวอีกเดี๋ยวก็กินอีกนี่แหละเรียกว่าปัญญาที่เราต้องมาเจริญกันเวลาที่เราออกจากสมาธิมาต้องเจริญตอนก่อนที่เกิดเกิดความหิวเพราะถ้าเวลาเกิดความหิวเราไม่มีความเราไม่มีปัญญาอันนี้เราก็จะเอามาดับความหิวไม่ได้ เราต้องนึกถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานก่อนเนี่ยมีอยู่สามที่ในปากในท้องที่ถ่ายออกมาน่อันนี้เป็นอาหารทั้งนั้นพระจ้าเจ้าเรียกว่าอาหารใหม่กับอาหารเก่าอาหารใหม่ก็เพิ่งเข้าไปอยู่ในปากอยู่ในท้องอาหารเก่าก็ที่ถ่ายออกมาเป็นอาหารทั้งนั้นอ่ะมันจะมาจากไหนใช่ไหมร่างกายเราไม่มีอาหารเนี่ยมันไม่ได้ผลิตอาหาร เงั้นมันเป็นอาหารที่เรากินกันเนี่ยกินกันแล้วมันก็มาแปลสภาพกลายเป็นอาหารใหม่อาหารเก่าเราต้องหมั่นพิจารณาปฏิกูลของอาหารอยู่ได้เรื่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่นึกไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาอยากจะเห็นอะไรที่น่ารับประทานมันนึกไม่ทันมาแก้ไม่ทันะ มันเป็นเหมือนยารักษาโรคทำไมเราต้องมียาไว้ในบ้านกันเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเกิดโรคอะไรขึ้นมาเราก็จะได้หยิบยามาใช้ได้เช่นเวลาปวดท้องก็มียาแก้ปวดท้องเวลาปวดหัวก็มียาแก้ปวดหัวเวลามีแผลก็มียามาทาเราต้องเตรียมยาไว้ปัญญาก็คือยาเรียกว่าธรรมโอสถเนี่ย พวกเราไม่เคยมียากันปัญหาของเราพวกเราคือไม่มีธรรมโอสถกันไม่มีปัญญากันพอเกิดโรคขึ้นมาก็เลยแก้ไม่ได้แทนที่จะแก้กลับไปไปเพิ่มโรคไปทำตามความอยากถ้าเรามีการพิจารณาปฏิกูลของอาหารอยู่เรื่อยๆ จนจำได้เหมือนหลับท่องสูตรคูนหรือบทสวดมนต์ถ้าเราท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆเดี๋ยวมันจำได้อรหังสัมมาสัมพุทโธนี้อยากจะท่องเมื่อไหร่ก็ท่องได้ถ้าจำไม่ได้อยากจะท่องก็ท่องไม่ได้ฉันใดปัญญาก็แบบเดียวกันปัญญาก็ต้องอาศัยการท่องจำเหมือนกันการดูบ่อยๆการลึกถึงบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆ นึกถึงภาพของสิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่ฝังอยู่ในใจต้องนึกอยู่เรื่อยๆนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากนึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องนึกถึงอาหารที่ออกจากร่างกายไปสภาพที่ไม่น่าดูก็เรียกว่าปฏิกูลของอาหารอาหารเลยปฏิกูลละสัญญาสัญญาก็คือความจำไง จำความเป็นปฏิกูลของอาหารอย่าไ ป, ไปจำความน่ากินของอาหารชนอย่าเราจะจำได้แต่การน่ากินของอาหารนึกถึงพิซซ่านี่เห็นไหมมันจะเห็นภาพพิซซ่าโผล่ขึ้นมานึกถึงกว๋วยเตี๋ยวนึกถึงข้าวผัดนึกถึงไก่ทอด KFC อะไรนี่มันภาพเหล่านี้ ม, มันมันฝังอยู่ในใจเรา มันก็เลยผลิตความอยากต่างๆให้เราตลอดเวลาเราต้องมาเปลี่ยนภาพของ KFC ของแมคโดนัลมาให้กลายเป็นอาเจนอาจมให้มันเป็นอุจจละเพราะมันต้องเป็นไม่ใช่เหรเออาหารที่เรากินเข้าไปมันจะกลายเป็นอะไรต่อไปเออาหารดีขนาดไหนแพงขนาดไหนไปกินอาหารดำโรงแรมมือละหมื่นสองหมื่นเนี่ย เดี๋ยวมันก็กลายเป็นอาเจียนไปเดี๋ยวว่ากลายเป็นอุจจาระไปให้นึกถึงอาหารแบบนี้แล้วเวลาอยากจะกินอาหารด้วยความอยากก็หยุดมันได้แต่เราไม่ต้องการหยุดมันตลอดเราต้องกินอาหารเพียงแต่ว่าเราต้องให้มันกินตามความเหมาะส ม, ามตามความต้องการของร่างกายแม้ถึงเวลากิน ถ้ามันยังอยากจะกินด้วยความอยากก็ต้องตัดมันให้ได้วิธีตัดความอยากกินตอนที่ถึงตอนถึงเวลาให้มันกินก็คือต้องทำให้มันไม่น่าดูไม่น่ากินเอาอาหารที่เราจะกินทั้งหมดมารวมในภาชนะเดียวกันเช่นพระก็เอาไปใส่ในบาตรของขาวของหวานผลไม้ขนมใส่เข้าไปแล้วก็คนมัน พ่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในทอ้องใกล้มันรวมในในภาชนะก่อนอเอาขนมมาผสมกับแกงแกงเผ็ดผสมกับแกงจืดแกงจืดผสมกับขนมปังอของกรอบๆนี่พอไปเจอแกงมันก็เล ะ, ะทีนี้มันก็ไม่อยากกินละทีนี้ต้องบังคับให้มันกินเพราะว่าน่างกายต้องการ ก็ต้องกินแบบกินยาอ า, อาหารนี้ควรจะกินแบบกินยาอย่าไปกินแบบอของบำุงบำเลจิตใจให้กินแบบกินยากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้อยู่เป็นปกติสุขเนี่ยทำไมพทธเจ้าถึงสอนในพระชั้นในบาทก็เพื่อเนี่ยฝึกจิตใจ ไม่ให้ไปหลงยึดติดกับอาหารแม้นจะมีเวลาแล้วก็ตามถึงแม่กินตามเวลามันยังกินแบบกิเลสได้มันก็ยังอยากจะเลือกกินเลือกกินอาหารชนิดนั้นก่อนอาหารชนิดนี้ทีหลังอแล้วมันก็จะทําให้กินมากเกินไปได้ถึงแม่จะกินมื้อเดียวภาอย่างอ้วนได้ใช่ไหมภาชันมื้อเดียวนี้ยังอ้วนได้เลย เพราะกินมากนกินเพราะความอยากกินเพราะความชอบพระุทธเจ้าถึงสอนให้แก้ด้วยการคลุกอาหารในบาตเอาอาหารที่เราจะกินทั้งหมดมารวมกันในบาทแล้วคลุกมันปนมันเข้าไปพอมันรวมกันแล้วเทนี้มันก็เห็นแล้วก็ไม่น่ากินละของกอกอบๆก็เละหมดและไปเจอไปเจอน้ำแกงเจออะไรเข้า แต่ทำไมมันเวลาอยู่ในท้องเราไม่เดือดร้อนะเดี๋ยวเวลากินเข้าไปมันก็ไปเละในท้องอยู่ดีไม่ใช่เหรอใช่ไมของกรอบขนาดไหนเดี๋ยวมันเข้าไปในปากเรามันก็หายกรอบแล้วแต่ตอนที่มันยังไม่เข้าไปนี่มันต้องต้องแยกกันรวมกันไม่ได้เอาเค้กใส่ไปในแกงนี่ไม่ได้แล้วกินไม่ลงลขนม เ, เอาแกงเขียวหวานผสมกับเค้ก เค้กช็อกโกแลตนี่ก็คงอร่อยดีไม่งันนะเคยลองกินดูปลาทองโกใส่เข้าไปกาแฟที่จะกินกับปลาทองโกก็ใส่เข้าไปเอให้มันเละก่อนแล้วก็ตัดเข้าไปในปากดีไม่ต้องเคี้ยวกินง่ายดีออนี่คือวิธีนี่คือปัญญาฟังแล้วมันอาจจะไม่น่าฟัง แต่มันเป็นความจริงมันเป็นเป็นปัญญาเป็นเป็นยาดับกิเลสได้ดับความอยากได้อยากกินอะไรนี้พอเอาปัญญามานี่มันกินปัญญาเข้าไปเม็ดเดียวนี่หายอยากเลยไม่อยากกินเลยระวังอยากกินมากเกินไปก็แล้วกันเวลาที่มันไม่อยากกินก็อย่าไปกินอย่าไปกินยากินยามากเกินไปเดี๋ยวมันกินไม่ลงเลย อาหารเดี๋ยวจะร่างกายขาดอาหารได้ถ้าถึงเวลาอย่าไปใช้ปัญญาถ้ามันไม่มีความอยากจะกินก็อย่าไปใช้ปัญญากินไปตามปกติไม่ต้องคุกไม่ต้องคนก็ได้เวลาที่มันไม่มีความอยากกินแต่ต้องกินแบบกินยาก็กินตามปกติไป ครูบาอาจารย์ที่ท่านสําเร็จแล้วที่ท่านบนรรุ้แล้วท่านก็ฉันเป็นปกติฉันไม่ได้คุกอาหารท่านใส่อาหารไปในบาต่านก็ไม่ได้ไปคุกเหมือนก็ใส่ไปตามมีตามเกิดไม่ต้องคุกก็ได้คุกก็ได้เหมือนกันท่านไม่มีปัญหากับความอยากในอาหารแล้วเการฝึกฝนนี่ฝึกฝนเพื่อให้เราละความอยาก พอละความอยากได้แล้วที่นี่เราก็กินแบบปกติได้แยกกินได้เอแยกกินขนมเค้กับกาแฟได้เอไม่ต้องมากินกับแกงก็ได้อะอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ในตอนที่มันยังมีความอยากอยู่เนี่ยต้องดัดนิสัยมันดัดความอยากมันทําลายความอยากช่วงปฏิบัติมันจึงเป็นเป็นเหมือนคนไม่ปกติอยู่แบบไม่เหมือนคนทั่วไปอยู่กัน เราต้องการที่จะมาทำลายตันหาความอยากแต่พอไม่มีตันหาความอยากแล้วก็กินอยู่แบบคนปกติทั่วๆไปได้แต่ต่างจากคนปกติก็คือไม่มีความอยากกินถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่กินแล้วถ้าไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนแต่คนทั่วไปถ้ากินไม่ความอยากถึงไ ม, ม่ถึงเวลาก็อยากจะกิน เวลาอยากเวลาได้กินถ้าไม่ได้กินของอยากกินก็ไม่อร่อยไม่มีความสุขอีกนะอันนี้ต่างกันความอยากนี่มันเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับจิตใจของพวกเราเราจึงต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะแก้ความอยากได้อย่างถ้าว อ, น, อนนี่คือปัญญาเกี่ยวกับทางอาหารถ้าปัญญาเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคน เรามักจะชอบคนนั้นคนนี้เวลาเห็นหน้าเห็นตาเขาวิธีที่จะแก้ไม่ให้เราไปชอบเขาก็คือเราต้องมองเวลาที่เขาไม่ได้างดูบ้างเวลาเขาตื่นขึ้นมายังไม่ล้างหน้าล้างตายังไม่หวีผ้าหวีผมยังไม่แต่งเนื้อแต่งตัวหรือเวลาที่นอนหลับนอนกลนครอกคลอกนี่ หรือเวลาที่เขาไม่หายใจพอไม่หายใจนี่ไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านนะเคยรักเคยห่วงอย่างไรทีนี้ก็ยกให้สัปปะเลอได้ทันทีโทรไปเรียกสัปปะเลอมารับไปเลยแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นี่ห้ามไม่ให้ใครแตะต้องโดยเด็ดขาดเพอรักพอห่วงนี่ต้องมองบุมกลับเหมือนกันมองตอนที่เขาตาย หรือถ้าไม่ประทับใจก็มองตอนที่เขาตายหลายๆวันถ้าเป็นศพเราทิ้งไว้ให้ขึ้นอืดอย่างนี้ขึ้นอืดให้เขียวช้ำดำเดือมมีอวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายแตกทะลักออกมามีตับมีไตมีหัวใจมีปอดหรือดูที่เวลาร่างกายมันเน่าเปื่อยจนแห้งปดเหลือแต่โครงกระดูก นี่ก็เป็นร่างกายที่เรารักเราหวงเราหวงกันเราแย่งกันตีกันฆ่ากันเพราะเรารักร่างกายอันนี้เพราะเราไม่เห็นมุมกลับของร่างกายเราไม่เห็นส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายกัน ต, ตอนนี้มีอยู่ในร่างกายเราทุกคนแต่เรามองไม่เห็นกันโครงกระดูกพวกเราก็มีกันทุกคนปอดหัวใจตับไตลำไส้มีกัน ปฏิกูลที่เราผลิตออกมาจากร่างกายนี้ก็มีกันต้องเข้าห้องน้ํากันอยู่เรื่อยๆแต่เราพยายามไม่นึกถึงมันเวลาเห็นร่างกายเราจะนึกถึงแต่ส่วนที่เราชอบเรารักก็เลยทําให้เราไปหลงหลายข้างใครกับร่างกายไปมีกามารมณ์กับร่างกายทําให้เราต้องไปวุ่นวายกับ าการหาร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราไปหาแฟนแล้วก็ต้องมาทุกข์มากับแฟนมาหวงมาห่วงแฟนแล้วถ้าแฟนจากไปก็ต้องมาเสียห อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เนี่ยเรากําลังหลงถูกความถูกความหลงความมืดบอดทําให้เราอยากได้สิ่งที่ เป็นทุกข์กับเราแต่เรากลับไปเห็นว่าเป็นสุขนะพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราพิจารณาสุภาะบ้างอย่าพิจารณาแต่สุภะเพราะเราชอบแต่สุภะคือความสวยงามไม่ชอบอสุภะความไม่สวยงามหนังสือต่างๆที่ผลิตออกมาขายนี้มีแต่ภาพสวยๆงามๆให้เราดูทั้งนั้น หนังสือแฟชั่นเอาคนหน้าตาดีๆมาเป็นนายแบบนางแบบกันเห็นเ้าก็ทำให้เราอยากเป็นเหมือนเขาอยากได้เขามาเป็นแฟนเราทำไมเขาไม่เอาศพมาเป็นนายแบบนางแบบมั่สร้างศพนี่มาใส่ชุดขายดูที่จะขายได้ปะชุดเสื้อผ้าเอาศพที่ตายสามวันห้าวันนี่ขึ้นอื่นขึ้นผง เขียวช้าดําเขียวนี่ฟกช้าดําเขียวนี่มาเป็นนายแบบดูมัง้งรับรองได้ว่าขายไม่ออกหนังสือเสื้อผ้าก็ขายไม่ออกดีไม่ดีถูกตํารวจจับด้วยหาว่าวิจตฐานหาว่าเป็นคนบ้าความจริงไม่บ้าหรอกถ้าถ้าถ้าปฏิบัติธรรมจะเข้าใจแต่คนปฏิบัติธรรมเขาก็ต้องรู้จักกาละเทศะเขาไม่สามารถที่จะเอามาพูดแบบเปิดเผยอย่างนี้ได้ นอกจากอยู่ในกลุ่มของผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้เท่านั้นถ้าญาติโยมไม่มาที่นี่เราไม่ไปคุยกับญาติโยมที่บ้านหรอกเรื่องออสุภานี่ถ้าไปเดี๋ยวญาติโยมก็นิมนต์กับวัดเถอแต่นี่ญาติโยมมาก็เลยพูดได้แต่บางทีพูดแล้วบางคนก็ทนไม่ได้ก็ลุกหนีไปก็มีเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้คาดฝันว่าจะมาเจอธรรมะแบบนี้ เพราะธรรมะมันมีหลายระดับนี่คนมาฟังมันก็มีหลายระดับจะพูดระดับเดียวคนที่ต้องการระดับอื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์ก็ต้องสลับกันไปบางทีก็พูดระดับนี้บางทีพรุ่งนี้ก็พูดอีกระดับหนึง่งพูดอีกเรื่องหนึง่งอีกแบบหนึง่งสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าคนที่มาศึกษาธรรมะก็เป็นเหมือนนักเรียนในโรงเรียนมีหลายชั้นด้วยกัน บางคนก็เพิ่งเริ่มกอไก่ขอไข่บางคนก็เขียนได้อ่านออกเขียนได้แล้วบางคนก็อยู่ในขั้นแต่งความได้แล้วแต่งใจความได้เขียนเรียงความได้วิธีการสอนในแต่ระดับก็เลยไม่เหมือนกันถ้ามาระดับปัญญามันก็ต้องสอนเรื่องราวเหล่านี้เรื่องมุมกลับล้วชอบมอมแต่มุมสว่างแล้วไม่ยอมมองมุมมืด ต้องมาดึงให้เราดูมุมมืดเพราะมันม า, ม, น ม, ามันมาร่วมกันมุมสว่างกับมุมมืดนี่มันมามาพร้อมกันเหมือนเหรียญสองด้านมีทั้งหัวทั้งก้อยเวลาหัวมันหงายขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นก้อยเราก็จะคิดว่าเหรียญ น, นี่มีหัวทั้งสองด้านแต่ความจริงมันมีทั้งหัวทั้งก้อยของที่เราได้มาต่างๆนี้มันก็เหมือนกันมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ มันมีทั้งหน้าดูแล้วไม่น่าดูมันมีทั้งน่ากินแล้วไม่น่ากินแต่เราไม่ไปมองด้านเดียวไปมองด้านสุขไปมองด้านน่ากินไปมองที่ด้านน่าดูเราก็เลยไปเกิดตัณหาความอยากกับสิ่งต่างๆแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราวุ่นวายใจตั้งแต่เริ่มอยากขึ้นมาพอเริ่มอยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขตนะ้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมา เวลาหาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ว่ามันไปเหมือนกับไปรองน้ำจากจากผลนี่มันง่ายแต่ของที่เราอยากได้นี่มันต้องไปซื้อไปหากันถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปหาเงินก่อนอีกถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปหางานอีกถ้าไม่มีงานก็ต้องไปเรียนหนังสืออีกเนี่ยกว่าจะมาทําตามความอยากน้านนี่เราต้องเหน็ดเหนื่อยกันหลายขั้นตอน ตั้งแต่เด็กก็ต้องไปโรงเรียนกันแล้วเนี่ยโรงเรียนไปทําไมก็ไปเพื่อจะได้มีวิชาความรู้พอเรียนจบออกมาจะได้มีงานทําพอมีงานทําก็จะได้มีเงินพอมีเงินก็จะได้ไปซื้อของที่เราอยากได้เท่านั้นเองแล้วพอได้มาก็ทุกข์กับมาอีกเราทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นทุกข์ต่างแต่การเรียนหนังสือทุกข์ต่างๆการหางานทํา ทกแต่งต่การทํางานพอได้เงินมาก็ท้องทุกข์กับการไปหาซื้อข้าวของอีกพอได้ข้าวของมาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาข้าวของอีกแล้วพอข้าวของได้มาเสียไปก็ทุกข์กับมันอีกเราทุกข์กับมันตลอดไม่เคยคิดกันเลยสู้วิธีของพพุทธเจ้าไม่ได้มานั่งเฉยๆดีกว่านั่งหลับตาพุทธโธพุทธโธควบคุมความคิดหยุดความคิด พอไม่มีความคิดหยุดความคิดความอยากหยุดไปใจก็สงบเกิดความสุขขึ้นมาไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปใช้เงินเพื่อที่จะได้ความสุขที่ได้แป๊บเดียวได้ตอนที่จ่ายเงินไปพอจ่ายเงินไปได้ของมาดี อ, อกดีใจเดี๋ยวกลับมาบ้านก็ต้องมาดูแลรักษาของที่เราได้มาอีกนะนี่คือ ความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันพระตถเจ้าสอนว่าให้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาว่าในโลกนี้ความสุขในโลกนี้มันมีความทุกข์มาด้วยเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราควบคุมบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้มันมาไม่ได้เราต้องไปหามันแล้วพอได้มันมาก็สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มันดีเกินดีมันจะไปมันก็ไปอย่างนั้น พอเห็นว่ามันทุกข์เห็นว่าวุ่นวายก็อย่าไปหามันดีกว่ามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องวุ่นวายดีกว่ามาฝึกจิตควบคุมจิตเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดปุงแต่งนั่งเฉยๆพุทโธพุทโธให้ใจสงบใจสงบก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราดิ้นโนนหากันเอแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ต่อไปถ้าเราออกจากสมาธิถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ให้มันทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากมันจะทุกข์เราก็บอกหยาไปอยากของที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นของที่เราอยากกินมันไม่น่ากินคนที่เราอยากได้มามันไม่มันไม่น่าดูอย่างที่เราคิดหรอกพอรามองไม่เห็นส่วนที่ไม่น่าดูของเขาเรามองเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูดิ มันจะไม่เห็นสิ่งที่น่าดูน่ารักเลยตั้งแต่ใต้ผิวหนังเขไปก็คือมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเนี่ยกระดูกตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงเท้าเนี่ยมีกระดูกท่อนกระดูกท่อนต่างๆมีทั้งท่อนกลมท่อนยาวที่หัวก็เป็นกระโหลกศีรษะเนี่ยมีอยู่ในตัวทุกคนแต่มองไม่เห็นกันแล้วก็ไปหลงหลข้างใครลากเขาเอาเปน็นเอาตายกับเขา แล้วก็ไปทุกข์กันเอพราะความไม่มีปัญญานี้เองเอย่างนั้นเวลานอกจากได้ความสงบแล้วไม่พอถ้าอยากจะรักษาความสงบนี้ต้องรักษาด้วยปัญญาเวลาไม่อยู่ในสมาธินี้ต้องคิดทางปัญญามองเห็นอะไรต้องคิดว่าเป็นตายรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สวยงามถ้าเป็นอาหารก็ไม่น่ากินเอ คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจพอไม่มีความอยากแล้วใจก็เหมือนอยู่ในสมาธิไม่ต้องเข้าสมาธิก็เหมือนอยู่ในสมาธิเพราะมันสงบเหมือนกันมันนิ่งเหมือนกันมันเฉยเหมือนกันมันไม่ทุกข์เหมือนกนอันนี่คือเรื่องของธรรมะที่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดจิตใจของผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ผู้ที่เห็นทุกข์ในชีวิตนี้จะเบื่อจะอยากจะเข้าหาธรรมะกันเพราะธรรมะนี้จะทำให้เราอยู่แบบไม่มีความทุกข์ได้อยู่แบบมีความสุขอย่างเดียวไปตลอดจึงขอให้ท่านพยายามหมั่นเข้าหาธรรมะอยู่เรื่อ ย, อยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติโดยเฉพาะการภาวนาการทำใจให้สงบอันนี้แหละเป็นสุดยอดของธรรม ต้องฝึกจิตให้สงบก่อนแล้วถึงค่อยใช้ปัญญาได้ท่านที่ใช้ปัญญาอย่าไปคิดว่าปัญญาอย่างเดียวจะพอเช่นพวกที่ไปศึกษาพิธรรมพวกที่ไม่ชอบมานั่งพุทโธไม่นั่งยุบหน่อพองหน้อนี่ชอบแต่ปัญญาแต่ปัญญาอย่างนั้นยังไม่มีไม่มีผู้ผู้ที่ใช้ปัญญาไม่มีกำลังถ้าเปรียบเทียบปัญญาก็เหมือนมีดเนี่ย ส่วนคนที่ใช้มีดถ้ายัางไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้หลับนอนพักผ่อนเป็นคนหอมละพร้ อ, อมแห้งแรงน้อยเราให้มีมีดก็ฟันไม่ขาดฟันต้นไม้ก็ฟันไม่ได้ไม่มีแรงฟันจิตที่ไม่มีสมาธิก็เป็นเหมือนอคนที่ไม่มีอาหารรับประทานคนที่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเป็นคนผรอมแห้งแรงน้อยถึงแม้จะมีมีดก็เอาไปฆ่ากิเลสไม่ได้ หยุดความอยากไม่ได้งั้นอยากข้ามขั้นตอนขั้นแรกนี้ต้องให้กำลังคนใช้มีดก่อนมีดเรามีแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนมอบให้เราพอเรามีกำลังแล้วเราก็ไปรับมีดจากพระพุทธเจ้าได้ไปฟังธรรมถามว่าปัญญาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปรักทุกอย่างเป็นอาหารเป็นปฏิกูนร่างกายของคนเป็นอสุภะเท่านี้เองเราก็จะได้ปัญญามา ตัดกิเลสได้นี่คือเรื่องของธรรมะที่เป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดจิตใจของพวกเราให้เข้ามาหาธรรมกันเพื่อเราจะได้ดูดพ้นจากความทุกข์ในลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปุริปุเรนติสาขังเอวเมวาอิโตทินังเปตางนังอุปปักปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาลาโสยะถา มณีโชติอราโสยะถาสัพภิติโยวิวัชานตุสัพโรโคเวนัสตุมาเตภวตตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีริสานิจังวุฒาปะจายโนจตารูธรรมวาทานติ อายุวันโสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา412 u t u b บ177วิทยุออนไลน์กับ36รับฟังข้างบนนี้39คนรวมทั้งหมด664ครับ ใกล้ๆตองหกนะมีใครอยากจะถามก็เข้ามาถามได้นะมีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้คำถามทางบ้านเข้ามาคำถามจากทางบ้านนะครับคุณเป้สอบถามพระอาจารย์ถ้าเราตัดตัณหาได้และเข้าสู่นิพพาน เวลาหลับเราจะฝันเรื่องต่างๆไหมครับและถ้าเราไม่อยากเกิดอีกเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเมื่อตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกครับ ก, ก็ที่ความอยากเมื่อเราไม่อยากมีร่างกายไ ม, ม่ไม่อยากดูอยากฟังก็ไม่รู้มีร่างกายไปทำอะไรเหมือนคนที่ไม่อยากจะเดินทางไปไหนจะไปมีรถทาไมใช่ไห ถ้าคุณไม่อยากออกจากบ้านคุณจะไปซื้อรถหรือเปลซื้อมาจอดที่ไม่เฉยๆซื้อมาทำไมเป็นภาละเปล่าคนที่ไม่อยากใช้ตาหูจมูกนิ้นกายหาความสุขก็ <c oughs> ไม่รู้จะไป ม, มีร่างกายทำไมไมันรู้อยู่ในใจอันนี้เป็นสันทิฏฐิโกสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นการบอกเล่านี้เป็นการการให้ทราบโดยคร่าวๆ เ, เป็นเหมือนหนังตัวอย่าง ถ้าอยากจะดูหนังจริงอยากจะรู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงนี่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติเองสันติโกคำถามจากคุณสิรินันลูกขอสอบถามจําเป็นไหมเจ้าคะที่เราจะต้องไปทําบุญที่วัดทั้งนี้ด้วยที่มีเงินปัใจจัยในการทําบุญจากัดเช่นวัดในต่างจังหวัด หากลูกไปร่วมทำบุญที่วัดลูกต้องแบ่งเงินออกเป็นเงินทำบุญกับเงินเดินทางหรือจะนาเงินทั้งหมดไปทาบุญโดยที่ลูกไม่ต้องเดินทางไปร่วมบุญแต่ทั้งนี้ลูกรู้สึกว่าการที่ไปร่วมบุญจะเกิดปิติมากกว่าการฝากเงินไปทำบุญแบบไหนได้บุญกว่ากันเจ้าคะมันก็ อยู่ที่ว่าเราสละไปเท่าไหร่สละให้กับการทำบุญไปเท่าไหร่เพราะการเสียค่าใช้ใจ่ายการออกเดินทางนี่ก็จะถือว่าเป็นการทำบุญก็ได้เพียงแต่ว่าผู้ที่จะรับเงินของเรามันก็รับน้อยลงไปประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากเงินทำบุญของเราก็น้อยลงไปแต่มันก็ จะถือว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งของการทำบุญก็ได้เงินที่เราจ่ายค่าเดินทางไปเพราะมันจำเป็นจะต้องเดินทางไป<ม>ก็คิดว่ามันก็จะน่ า, นาจะเท่ากันถ้าเราเสียเงินในปริมาณเท่ากันโดยไปเองหรือไม่ไปเองเราก็ได้บุญเท่ากันแต่ผู้รับนี้อาจจะได้ประโยชน์ไม่เท่ากันเพราะถ้าไปถอยกับมือก็ต้องหักค่ารถค่าใช้จ่ายออกไป ทที่จะถวายร้อยเปอร์ซก็ขอหักยี่สิบเปอร์ซนสหรับค่าใช้ใจ่ายก็ได้ผู้รับก็ได้แค่แปดสิบเปอร์เซนตแต่ผู้ที่ให้ก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีถ้าให้โดยที่ไม่ไปได้มันก็ดีไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปเสี่ยงภัยบนท้องถนนมันก็มีบวกมีลบที่เราจะต้องพิจารณาเองแต่อาจจะไม่ได้ปิติเหมือนกับได้ไปเอง สมัยนี้ก็สามารถโอนเงินผ่านมือถือได้เลยก็เหมือนก็ได้ไปเองฉะนั้นปิติก็ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันตัวจริงก็คือตัวอิ่มใจสุขใจที่สำคัญกว่าปิติมันเดียวเดียวมันได้ป๊บแล้วมันก็หายไปเหมือนกินอาหารที่เราชอบกับกินอาหารที่เราไม่ชอบถ้ากินอาหารที่เราชอบก็ได้ทั้งได้ทั้งความสุขใจที่ได้กินอาหารที่ชอบ ล้าได้ความอิ่มท้องได้สองอย่างแต่ถ้าเรากินอาหารที่เราไม่ชอบเราก็ไม่มีปิติไม่มีความสุขใจแต่เราก็ได้อิ่มท้องเหมือนกั น, นการกินอาหารเรเป้าหมายหลักก็คือให้มันอิ่มท้องจะมันจะปิติไม่ปิตินี้นก็แล้วแต่ถ้าปิติได้ก็ดีถ้าปิติไม่ได้ก็บางทีก็ต้องมันแล้วแต่อยู่ในเหตุการ์อย่างไร บางทีหาที่กินหาอาหารอร่อยกินไม่ได้ก็ต้องเอาแล้ววะอะไรกินได้ก็กินก่อนนะอย่างน้อยให้มันอิ่มท้องก่อนการทําบุญ ก, บก็อิ่มใจเหมือนกันอิ่มใจนี่จะไปเองแล้วอยู่บ้านก็อิ่มใจเหมือนกันแต่ปิตินี่อาจจะอยู่ที่ว่าเราทําบุญที่เราชอบหรือไม่ชอบคนบางคนทําบุญกับว่าจักจะไม่มีปิติ แต่ไปทำบุญกับโรงพยาบาลกับมีปิตเออิเพราะเขาเห็นว่าโรงพยาบาลนี้ทำประโยชน์ตามที่เขาอยากได้ อ, อ, อ, นนอันนี้ก็เรื่องของปิติความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกชั่วขณะชั่วที่ไปทำเท่านั้นเองแต่ตัวที่อยู่กับใจเราไปนานก็คือตัวอิ่มใจสุขใจนีออ่งั้นจะทำบุญแบบไหนที่ไหนก็ได้เหมือนกันจะได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน แต่ความปิติอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันคนเราจึงเลือกทำบุญหลายแบบบางคนก็ชอบทำหนังสือธรรมะบางคนก็ชอบสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์บางคนเนี่ยพอที่ไหนมีงานตัดลูกนิมิตเนี่ยจะต้องไปอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนอาหารบุญชนิดต่างๆก็เป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆคนที่กินอาหารก็เลือกอาหารที่ตนเองชอบกิน กพนอกจากได้อิ่มท้องแล้วได้ได้ความปิติใจขึ้นมาด้วยนี่คือเรื่องของการทำบุญก็เอาไปพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันว่าจะทำอย่างไหนดีคำถามจากคุณแพ์กราบน้ำมัสการพระอาจารย์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสองปีก่อนไปใช้หนี้แทนคุณอาที่เสียชีวิตเพราะไม่อยากให้บ้าน คุณอาซึ่งคุณย่าอยู่ด้วยโดนยึดและได้ตกลงกับลูกชายของอาต้องโอนที่ให้แทนการใช้หนี้แต่ถึงตอนนี้ก็ไม่ยอมโอนให้จึงตัดสินใจจะฟ้องดำเนินคดีจากตอนแรกจิตเป็นเมตตาและมีความสุขแต่ตอนนี้เหมือนโดนเอาเปรียบและใจมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งที่คิดถึง จึงอยากจะถามพระอาจารย์ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรดีถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปฟ้องเขาก็ปล่อยเขาไปถ้าเราอยากได้มันกิเลสเกิดขึ้นความอยากมันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทำให้เราโกรธเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะเป็นยักษ์เป็นมารก็ ให้เขาไปบอยจากที่มาเป็นการทําบุญช่วยเหลือเขาไปเขาก็เป็นญาติกับเราเป็นพี่น้องกันถ้าเราไม่เดือดร้อนจริงๆก็ทำบุญไปเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรถึงแม้เราจะเดือดร้อนแต่ถ้าเรามีความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละของเราเราก็ยังมีความสุขดีกว่าได้เงินคืนมาแล้วไม่นับรองจะไม่สบายใจคุณไปฟ้องร้องกันคุณได้เงินกลับมา คุณได้เงินแต่คุณได้ความรู้สึกที่ไม่ดีกลับมาเพราะเขากับเราก็จะกลายเป็นศัตรูกันไปแทนที่จะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ก, ก็กลายเป็นศัตรูกันไปงั้นทาบุญต่อไปเถอะคิดว่าออทาไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งก็ทาให้มันหมดไปออจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราทำอะไรให้ใครคนหนึ่งยิ่งทำดีแต่มันกลับกลาย เป็นการทำร้ายจิตใจของเขาไปซะงั้นปากบอกว่ารักกันแต่ทำไมถึงทำให้เสียใจเราควรทำอย่างไรดีคะไม่ทราบว่าใครเสียใจเขาเสียใจหรือเราเสียใจถ้าเราทำความดีแล้วเขาเสียใจก็อย่าไปทำทั้งนั้นเสียก็หมดเรื่องถ้าทำให้เขาเสียใจก็อย่าไปทำคำถามจากคุณสิริดูภาพศพ ก็พอได้แต่กับคนที่ถูกใจนี้ทำใจให้มองเขาเป็นศพไม่ได้เลยจะมีทำข้ออื่นบ้างไหมหรือต้องทำอย่างไรขอความเมตตาด้วยค่ะก็ค่อยๆทำไปค่อยๆนึกว่าวันดีคืนดีก็อาจจะไปประสบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเราต้องเป็นคนไปชี้ศพก็ได้เนี่ยก็ค่อยๆคิดไปค่อยๆนึกไปก่อน ถ้ายังนึ ก, นกถึงภาพศพก็ไม่ได้ก็นึกถึงตอนที่เขาเกิดเสียชีวิตใหม่ๆยังไม่เป็นศพแบบเทเทเวลาเขาสิ้นลมไปใหม่ๆค่อยๆนึกไปทีละขั้นก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าอยากจะให้นึกได้นี่มันต้องฝึกจิตให้มากขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่บอกว่ารังจิตไม่มีกำลังไม่มีสมาธินั่นเอง เหมือนคนมีมีดแต่ไม่มีแรงที่จะไปฟันพอจะคิดถึงรสร้างศพก็คิดไม่ออกไม่กล้าคิดไม่อยากคิดเพราะว่าจิตไม่มีกําลังฝืนความไม่ฝืนกิเลสความอยากความไม่อยากคิดไม่อยากมองศพได้ดังั้นการที่จะพิจารณาทางปัญญาแบบยากๆได้นี้ต้องมีสมาธิ ถ้าปัญญาแบบง่ายๆนี้มันยังไม่ต้องใช้สมาธิมากก็ได้เช่นสูญเสียข้าวของเงินทองไปเนี่อาจจะไม่ต้องใช้สมาธินึกถึงมันก็อะปรงพอจะปรงได้แต่พอไปคิดถึงสิ่งที่เรารักมากๆเนี่ยมันมันมันตัดยากมันต้องใช้กําลังมากเฉะนั้นถ้าเรายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังพอเราต้องไปฝึกสมาธิให้เกิดกําลังขึ้นมา คำถามจากคุณเด่นกราบพระอาจารย์ขอสอบถามหากนั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทโธจนพุทโธหายไปควรจะตั้งยึดสติกับอะไรต่อไปเพราะกลัวจะคิดเรื่องอื่นก็พุทโธต่อสิพอรู้ว่ามันหายไปก็ดึงมันกลับมาได้เนี่ยเราเป็นคนพุทโธเมื่อมันหายไปเราก็พุทโธใหม่ดังนนั้นเองพุทโธต่อไปถ้ามัน ไม่ไม่พุโทโธแล้วไม่มีความคิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ให้มีสติคอยดูใจไปเรื่อยๆถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้ามันเริ่มคิดเมื่อไหรแล้วก็พุโทโธต่อไปเหมือนขับรถเนี่ยเวลาเราต้องการให้รถมันหยุดวิ่งเราก็เหยียบเบรกพอรถหยุดแล้วเราก็ถอดเบรกออกได้พอรถมันจะวิ่งใหม่แล้วก็ค่อยเหยียบเบรกใหม่จิตเราก็เป็นแบบนี้ ตอนนี้มันคิดก็มันกำลังวิ่งอยู่แล้วก็ต้องเหยียบเบรกต้องพูดโธพูดโธไปพอพูดโธไปยังกระทั่งมันหยุดคิดพูดโธก็หยุดไปด้วยก็ไม่ต้องพูดโธรเยเกิดถ้ามันเริ่มคิดใหม่แล้วก็มาพูดโธใหม่นันเองคำถามจากคุณบีนี่อยากสอบถามว่าตอนสบายเราก็สามารถมีสตินั่งสมาธิได้แต่พอป่วย ทำได้ยากปวดตามตัวหมุดหงิดควรทำอย่างไรที่จะทำให้ควบคุมอารมณ์สุขอย่างไรคะก็สติสมาธิเรามีน้อยพอมีอะไรมากระทบกระเทือนใจก็สู้มันไม่ได้เราต้องฝึกสติให้มีมากขึ้นให้มีสมาธิมากขึ้น ถ้าฝึกสติจนทั้งจิตสงบได้ร้อยเปอร์เซ็นนี่แม้ว่าจะมีอะไรมากระทบใจใจก็จะเฉยได้เพราะนั้นเด้าหมั่นฝึกสติฝึกนั่งสมาธิให้มากๆให้จิตนั่งอยู่ได้นานๆให้สงบได้นานๆเป็นอูเบขาได้นานๆแล้วต่อไปเวลาเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรา มันก็จะไม่หวั่นไหวคำถามจากคุณแหม่มกราบเรียนพระอาจารย์ขอสอบถามค่ะมีหนูเข้ามาในรถกัดเบาะสายไฟเสียหายดิฉันกลัวมากซื้อสเปรย์ฉีดไล่หนูหนูก็มาอีกจึงใช้กาวดักหนูก็จับได้ดิฉันจะบาปไหมคะ ถ้ามันตายก็บาปถ้ามันไม่ตายแล้วเราก็เอาไปปล่อยในป่าในทุ่งที่ไหนที่มันไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเ อ, อก็หาหาอะไรดักมันแบบที่ไม่ทําให้มันตายเ อ, อถ้าดักถ้าเป็นแบบที่ดักแล้วมันติดแล้วมันตายนี่ก็บาปเออพราะมันเกิดจากการกระทําของเรา คำถามจากคุณเดียวทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านไม่สนับสนุนให้ลูกศิษย์เทศและทำการก่อสร้างและให้หวยครับว่าไม่ใช่หน้าที่ของลูกศิษย์ไงหน้าที่ของลูกศิษย์คื้ศึกษาทําให้ปฏิบัติธรรมจนกว่าจะหลุดพ้นบรรลุแล้วเมื่อบรรลุแล้วก็ถ้ามีใครสนใจที่จะมาศึกษาก็สอนได้ แ ต, แต่จะไม่ให้ไปทําก่อนที่จบการศึกษาจบการปฏิบัติเหมือนกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ปล่อยไปสอนใครก่อนเขาต้องให้เรียนก่อนเรียนให้จบให้ได้รับปริญญาก่อนเมื่อได้รับปริญญาแล้วทีนี้จะไปสอนใครก็ไปไปสมัครสอนได้ตามสถานที่ศึกษาต่างๆนี่คือกิจของสงฆ์กิจของพระที่แท้จริงก็คือศึกษาปฏิบัติบรรลุ ปฏิเวทปฏิเวก็คือบรรลุจบปิญญาหลังจากนั้นก็เอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปมีสี่ขั้นด้วยกันหน้าที่ของพระขั้นแรกให้ศึกษาจากครูบาอาจารย์เมื่อได้ศึกษาเด้ยรู้แล้ ว, วต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไปปฏิบัติไปปฏิบัติสมาธิปัญญาศีนสมาธิปัญญา เมื่อได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะได้วิมุตติหลุดพ้นจบปริญญาเรียกว่าปฏิเวทขั้นที่สามพอจบแล้วทีนี้ก็ไปเผยแพร่สั่งสอนต่อไปจากคุณแตงไทยขอกราบเรียนถามค่ะเมื่ออยู่บ้านนอกจากบทพุทธคุณธรรมคุณแล้วบทพาหุงมหากาก็สวดได้ใช่หรือไม่คะ แล้วมีบทอื่นที่เราสมควรสวดอีกไหมคะคือถ้าสวดแล้วเราไม่เข้าใจความหมายจะสวดบทเดียวก็ได้สวดหลายบทก็ได้เหมือนกันเพราะการสวดโดยที่ไม่เข้าใจความหมายนี้เป็นการฝึกสติให้ใจเราหยุดคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆให้มีให้จิตมา คิดในกับบทสวดมนต์งั้นจะสวดบทไหนสวดบทเดียวแต่สวดซ้ำไปซ้ำมาก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าสวดนานหรือไม่นานแล้วสวดแล้วปล่อยให้ใจไปคิดหรือไม่คิดเรื่องของการสวดมีเท่านี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องสวดบทนั้นบทนี้แต่ถ้าเราอยากจะรู้อยากได้ปัญญาเราก็ต้องสวดแล้วเราก็ต้องไปดูคาแปลว่าบทที่เราสวดนี้มีคาแปลว่าอะไร เคําแปลจะบอกให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาบทพุทธคุณก็จะบอกคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้างเป็นพระอระหรันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอารหันคือผู้สิ้นกิเลสสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตัดสั้นด้วยพระองค์เองเนี่ยเราจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าทำไมท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ต้องรู้จากคําแปล ถ้าเราไ ม, ไม่มีคำแปลเราสวดไปเราก็จะไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้เพียงแต่สติหรือสมาธิเท่านั้นถ้าอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องอ่านคำแปลนี่บทสวดมนต์ต่างๆนี่ก็เป็นคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ต้องไปอ่านคำแปลด้วยถ้าสวดอย่างเดียวนี้มันไม่ได้ความรู้ไม่ได้ปัญญาได้แต่สติได้แต่สมาธิ อย่าไปคิดตามที่คนเขาคิดกันว่าส่วนบทนั้นแล้วจะได้อานิสงส์ได้เงินได้ทองได้ร่ำได้รวยได้สามีดีได้บุตรดีได้ภรรยาดีอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนี่ยการสวนมนนี้ได้ก็คือได้สติได้สมาธิถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาความรู้คําถามจากคุณสุมนทา แม่เขาตายแล้วแต่มาเข้าน้องสาวว่าอยากได้เงินเป็นไปได้ไหมคะน้องฝันไปมันเรื่องเขาเข้ามาก็ได้แล้วแต่มันเนี้ก็ต้องพิสูจน์ดูว่ามันเป็นเรื่องนอกหรือเรื่องในเรื่องนอกก็คือดวงวิญญาณของแม่มาเข้ามาหาในใจของน้องได้อย่างยกตัวอย่างมีแม่ชีคนหนึ่ง เป็นคนมีพลังจิตสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วได้คืนที่หลวงปู่มั่นตายหลวงปู่มั่นก็เข้ามามาบอกแม่ชีว่าฉันตายแล้วพอดีแม่ชีกะจะไปเยี่ยมในวันลุ่งขึ้นหลวงปู่บอกอย่าไปเลยไปก็เจอแต่ซากเราแต่เราไม่ได้อยู่แล้วแม่ชีรู้ก่อนชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอนั้นเดินขึ้นมากายก็ร้องห่มร้องไห้เพื่อนแม่ชีก็ถามว่าเป็นอย่างไร แม่ีก็บอกหลวงปู่มั่นเสียแล้วท่านมาบอกเมื่อคืนนี้แล้วไม่สายๆายก็มีคนส่งข่าวมาบอกที่หมู่บ้านนั้นว่าหลวงปู่มั่นได้จากไปแล้วอันนี้เป็นไปได้คนที่ตายไปแล้วมาติดต่อคนที่อยู่ได้หรือคนที่อยู่ไปฝันคิดถึงเขาก็ได้เหมือนกันนั้นเราต้องรู้ว่ามันเป็นอันไหนกันแนะ่ ถ้าเราร้อยวันพันปีไม่เคยติดต่อกับดวงวิญญาณเลยแล้วอยู่ๆมันจะมาติดต่อนี่ส่วนใหญ่มันเป็นความคิดของเรามากกว่าเราคิดถึงแม่ห่วงแม่ก็เลยฝันถึงแม่ไปเท่านี้หมดแล้วเลยหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่แม่บอกเรานี้เราพิสูจน์ได้หรือเปล่าเช่นแม่บอกว่าแม่ซ่อนเงินไว้ในลิ้นชักตู้นั้นตู้นี้ลืมบอกลูกๆ ก, ก่อนจะตาย ก็เลยมาบอกในฝันลูกๆไม่รู้ว่าแม่มีซ่อนเงินเอาไว้ก็ลองไปดูตามที่แม่บอกเสื้อถ้ามีเงินอย่างนั้นตามที่แม่บอกก็แสดงว่าแม่มาเข้าฝันจริงๆไม่ใช่เราคิดไปเองอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราฝันนี้สิ่งที่เรารับรู้ในตอนที่เรานอนหลับนี้เป็นความฝันที่เราคิดขึ้นมาเองหรือเป็นเรื่องของ ดวงวิญญาณต่า ง, างๆเข้ามาหาเราหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมีพลังจิตท่านจะรับรู้ดวงวิญญาณต่างๆโดยเฉพาะของพวกเทพของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่ามีเทพมาฟังธรรมกับท่านอยู่เรื่อยๆมีพระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังมีพระพุทธเจ้าในอดีตมาแสดงธรรมให้ท่านฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านมั่นใจเพราะท่าน มีพลังจิตท่านเข้าสมาธิแล้วท่านก็รับรู้แล้วท่านสนทนากับเขาได้ด้วยแสดงธรรมให้เขาได้ถาตอบปัญหาทมกันได้อานนี้เป็นเรื่องที่เป็นจริงทั้งสองอย่างเป็นความฝันก็ได้เป็นเรื่องของดวงวิญญาณของผู้อื่นมาเข้าเข้าหาเราก็ได้ แล้วแต่แต่แบบที่เป็นดวงวิญญาณนี่ส่วนใหญ่ท่านไม่ไม่ได้นอนท่านยังอยู่ในสมาธิกันถ้านอนนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นฝันมากกว่าถ้ามันเป็นสมาถ้ามันเป็นดวงวิญญาณนี่ต้องเข้ามาเนะี่ยช่วงที่เราอยู่ในสมาธิอยู่ในอุปจารสมาธิตอนนั้นก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากวิญญาณต่างๆได้เรือไปรับรู้เรื่องอดีต ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรับรู้ด้วยพลังของอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้มันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่มีอุเบกขามันจะไม่ทำให้จิตเราสู้กิเลสได้ถ้าเราไปติดอุปจารสมาธิเดี๋ยวเวลากิเลสขึ้นมาจะสู้ไม่ได้ยกตัวอย่างาพระททเท ว, วทัตนี่ได้อุปจารสมาธิได้อิทธิฤทธิปาฏิหารบางอย่าง กลยหลวงคิดว่าตนเองบรษย์ทาขั้นสูงก็เลยขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงแทนกิเลสขึ้นก็ไม่มีปัญญารู้ว่านี่คือกิเลสความอยากเป็นใหญ่เป็นโตถ้าเราจะเป็นใหญ่เป็นโตเองเราไม่ต้องไปขอเดี๋ยวเขามาตั้งเราเองเดี๋ยวเขามาขอร้องให้เราเป็นผู้นำเองถ้าเราไปขอนี่แสดงว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วอยากเป็นแต่ยังไม่รู้ ก็ยังไ่ขอปอขอแล้วพะพุทธเจ้าก็สอนบอกเธอเป็นไม่ได้หรอกเธอยั ง, งโง่อยู่แค่นี้ก็โกรธโกรธพระพุทธเจ้ากิเลสขึ้นมาก็ไม่รู้เอกว่าเป็นกิเลสเองแล้วพยายามไปฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่านี่ก็เป็นกิเลสเองเนี่ยนี่คืออุปจาระสมาธิเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับพวกอุปจาระสมาธิเรียกว่ามิจฉาสมาธิให้ไปหาอัปปนาสมาธิ จิตนิ่งสงบสักด์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขมีความสบายใจเอาอันนี้แหละอันนี้แหละจะสู้กับกิเลสได้อันนี้เป็นพลังของใจคำถามจากคุณสิริชอบทำบุญด้วยเงินแต่มีคนบอกว่าตายไปจะไม่มีของกินของใช้ จริงๆแล้วเป็นอย่างไรคะเอเงินนี่แหละซื้อของกินของใช้ได้ไม่ใช่เลยมีของกินของใช้อาจจะไปเที่ยวไม่ได้แต่ถ้ามีเงินนี้ได้ทุกอย่างเงินนี้คือแก้วสารพัดไม่ต้องไปกลัวอยากจะได้อะไรได้หมดนะ ถวายเงินจะดีแล้วเพียงแต่ว่าต้องถวายให้เหมาะสมต่ อ, อผู้รับเท่านั้นเองเช่นถวายให้ใช้เกิดประโยชน์กับาศาสนาถ้าถวายกับพระนี่โดยถวายให้โรงพยาบาลเขาเพื่อเขาจะได้ไปจ่ายค่าค่าพยาบาลค่าหมอหรืออะไรต่างๆที่เขาขาดแคลนจะเอาเครื่องมา้าเครื่องมือไปให้เขาก็าบอกตอนนี้เขาขาดเงินค่ารักษาค่าจ่ายพยาบาลหมอเนี่ย จะไปให้อย่างอื่นเขาเขาก็ใช้ไม่ได้ใช่แต่ให้เงินนี่เขาใช้ได้ทุกอย่างเขาขาดอะไรเขาก็เขาก็สามารถเอาไปใช้ได้ไปซื้อได้ยังั้นไม่ต้องกลัวถอยเงินน่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังว่ามัน จะไปทำให้ผู้รับเสียหรือไม่เสียจะทำให้เกิดการคอร์รัปชันหรือไม่อันนี้ต้องระวังเท่านั้นเองแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่เสียหายไม่มีคอร์รัปชันก็ให้เงินไปนั้นดีเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าคนที่เรารับนี่เขาจะเอาเงินเขาขาดแคลนอะไรบ้างจะให้เขามาบอกเดี๋ยวก็จะหาว่าโลภอยากได้ใช่หไหมในบางทีถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเข า, เาก็เราก็ต้องเชื่อเขาว่าเขาเป็นคนดีคนที่จะทาประโยชน์ เขาจะเอาเงินของเราไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยก็หัดถวายเงินดีกว่าอย่างน้องตาท่านก็รับเงินใชมไหมรับเงินแล้วท่านก็เอาไปให้ธนาคารชาติไปให้ธนาคารชาติเอาไปใช้ตามที่เขาต้องการจะใช้ถ้าเอาภาพ ป, ป่าสังฆทานไปให้ธนาคารชาติเขาคงไม่รับหรือไมไม่มีที่เก็บใช่ไหม เงินเงินแทนกันได้เงินนี้เงินนี้เป็นเป็นเงินทิพต์เวลาตายไปจะมีเงินทิพต์โรกทิพต์ก็ต้องใช้เงินถ้ามีเงินทิพต์อยากจะได้อะไรก็ใช้เงินทิพตนเนมมิตรขึ้นมาอยากจะได้บ้านก็เนรมิตด้วยเงินทิพต์อยากจะได้เสือ้อผ้าพรที่สวยงามก็ใช้เงินนี้เนรมิตขึ้นมา ฉะน้นคนนี้ไม่เข้าใจกันบางทีคนถวายทำบุญใส่บาตรไม่ถวายน้าก็กลัวเดี๋ยวไม่มีน้ากินในชาติหน้าอีกก็เลยถวายน้าขวดตะกขวดสองขวดพาเมิตบายก็เลยแบกไม่ไหว ไม่ต้องหรอกนะออของมันใช้แทนกันได้ของบางอย่างมันมันมันดูความเหมาะสมของผู้รับด้วยถ้าอยากจะถวายน้ําก็ไปถวายที่วัดไปจ่ายค่าน้ำํำค่าไฟที่วัดอย่างงั้นจะดีกว่าเออส่วนตอนนี้พระท่านบิณฑบาตอย่าให้น้ําขวดใหญ่เลยเจอสองขวด <c oughs> ไปไม่ไหวแล้วคําถามครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ เทวดาบนสวรรค์จะเบื่อความเป็นอยู่เหมือนมนุษย์เราไหมเจ้าคะก็ไม่เบื่อหรอกเพราะว่าเขามีความสุขให้เขาได้สรับผัดเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆพอเบื่ออย่างนี้ก็ไปหาความสุขอย่างนั้นเขาเนรมิตขึ้นมาได้เ้าจะมีแต่ความสุขไปจนกว่าความสุขมันบุญที่ส่งไปมันหมดเขาก็าจะล่วงลงมาจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป ฉะนั้นอยู่ยบนสวรรค์ไม่มีความเบื่อหมดแล้วเลย เ, เพราะว่ามันเหมือนกับที่เราฝันดีฝันดีมันเราเบื่อฝันดีไ ม, ไม่เบื่อใช่ไหมฝันดีกี่ครั้งเราก็ชอบเวลานอนหลับฝันดีมีความสุขแล้วเกิดไม่เบื่อหรอกนอกจากเราไปฝันร้ายเท่านะั้นถึงจะเบื่อฝันร้ายก็เกิดจากการทําบาปฝันดีก็เกิดจากการทําบุญะ ตอนที่เรานอนหลับนี่เราเป็นการดูหนังตัวอย่างของหนังจริงที่เราจะดูตอนที่เราตายแนละ้วถ้าเราตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เรานอนหลับถ้าเราฝันดี donation, บ่อยๆมากกว่าฝันร้ายแสดงว่าเวลาเราตายไปนี่เราจะมีแต่ฝันดีไปถ้าเราฝันร้ายมากกว่าฝันดีนี้เวลาเราตายไปนี้จะมีแต่เรื่องฝันร้ายไปจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่คำถามจากคุณพรพันธ์เลี้ยงแมวไว้ในครัวไม่เคยปล่อยไปวิ่งนอกบ้านจะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ไปทุบตีเขาไม่ได้ทาให้เขาเจ็บร่างกายและเจ็บใจที่เราต้องเก็บเขาไว้ในบ้านก็เพราะไม่อยากให้เขาหนึ่งหายไปแล้วเขาจะลำบากสองอาจจะโดนภัยจาก สัตว์อื่นได้โดนสุนัข ก, กัดเลื่ออะไรกัดได้เราก็เลยต้องเก็บเพราะเหมือนกับเราเลี้ยงลูกอ่ะเลี้ยงเด็กเราก็ต้องเก็บไว้ในบ้านถ้าจะออกนอกบ้านก็ต้องมีคนไปคอยกํากับคอยเฝ้าดูถ้าอยากจะให้เขาออกไปนอกบ้านบ้างก็พาเขาไปได้เวลาเราออกนอกบ้านก็ใส่ตะกร้าไปนูอ่นอ ไ, ไป อย่างนี้ก็ได้แต่การให้เขาอยู่ในบ้านก็ไม่บาปขังเวาในกรงก็ไม่บาเปเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เข า, เาไปกำจัดวิธีหาความสุขของเขาเขาไม่มีความสุขเพราะเราก็ไม่อยากจะอยู่ในกรงนั้นถ้าเร า, เาถ้าเราอยากจะให้ก็มีความสุขเราก็อาจจะต้องให้เขาออกไปข้างนอกบ้างาวิธีใดที่เราคิดว่าปลอดภัยก็ทำไป คำถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์การที่จะมองอะไรไม่เที่ยงตลอดเวลาต้องมีสติหรือปัญญาครับถ้าไม่มีสติมันก็จะมาคิดทางปัญญาไม่ได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปทางกิเลสกิเลสก็จะมองให้เห็นว่าเที่ยมเห็นว่านิจจังสุขขังอัตตาเพราะว่าอันนี้มันเป็นสันสันดานของจิตของเราอยู่แล้ว โดยปกติมันจะเห็นทุกอย่างว่าเป็นนิจังสุสขขังอัตตาที่เราต้องการที่จะมาเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็ต้องใช้การบังคับให้มันคิดการจะบังคับให้มันคิดต้องมีสติถึงจะบังคับได้เนยั้นเราต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีสติก่อนมีสติที่จะดึงใจให้หยุดคิดไปในทางนิจังสุขขังอัตตาแล้วก็บังคับให้มันคิดว่าเป็นอนิจังทุกขังอนัตตา ว่าได้ไหอเนี่ยจิตเราตอนนี้มันมันถนัดไปในทางความหลงมันชอบมองทุกอย่างว่าเป็นสุขเที่ยงเป็นของเราใช่ไหมได้อะไรมานะ่าจะคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแล้ววันดีคืนดีเขาจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาเออเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดเพราะเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เอาให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เขาจากเราไปเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลาเขาจากเราไปนี่คือวิธีมองมุมกลับจะมองมุมกลับได้ต้องมีสติบังคับจิตให้ ม, มองในมุมกลับถ้าไม่มีสติมันก็จะมองในมุมเดิมคำถามจากคุณสุภกรกราบเรียนพระอาจารย์มนุษย์ทุกคน มีเทวดาประจาตัวด้วยกันทุกคนหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีหรอกเทวดาเขาก็เป็นจิตเหมือนพวกเราเนี่ยเขาก็ต้องไปหาความสุขของเขาตามบุญตามอะไรของเขาไปนอกจากเรามีความสัมพันธ์พิเศษกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งชันเรามีบุญคุณกับคนนี้เวลาเขาตายไปเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคนให้กับเรา พอเขาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็อาจจะมาคอยดูแลเราติดตามเราเพราะเรามีบุญคุณกับเขาแต่ถ้าเราไม่มีบุญคุณไม่มีใครก็จะมาดูแ ล, แ ล, แลเราหรอกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนที่ทำบุญเนี่ยจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเพราะคนที่เราทำคุณประโยชน์ให้กับเขานี่เขาจะคิดถึงเราเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณให้กับเราถ้าเขาเกิดไ ป, ไปถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาก็จะมาคอยดูแลเราเราขาดแคลนอะไรเดี๋ยวเขาก็ไปดลบันดาลจิตใจของคนคนนู้นคนนี้ให้มาทำบุญที่นี่ขาดอะไรเดี๋ยวก็มีคนมาถวายใ ห, ให้โดยที่ไม่ต้องไปขอไม่รู้เขารู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่นี่ใหม่ๆกุฏิในแต่ละกุฏิจะมีแทงน้ําแทงเดียวเราบอกว่ามันไม่พอหรอกเพราะที่นี่ไม่มีไม่มีแหล่งน้ําอย่างอื่นต้องอาศัยแหล่งน้ําฝนต้องมีถังบรรยายใบพอคิดได้ไม่กี่วันมีคนเอาแทงน้ํามาถวายกันเยอะแยะเลยไม่รู้มายอย่างไงเนี่ยแต่ละกุฏิเราเดี๋ยวนี้มีสามสี่แทงกันใชไม่ต้องบอกคิดอยู่ในใจ เทวดาเขารู้ใจเดี๋ยวเขาก็ไปเข้าฝันคนนั้นคนนี้เอเอราจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเทพบรรดาเนนะี่ยอยากจะกินอะไรเดี๋ยวก็มีคนมาใส่บาตรให้กินเนี่ยทุกวันเนี <laughs> ่ยเทพคอยคอยดูว่ากำลังคิดอะไรอยู่กําลังอยากจะกินอะไรอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็มา ท, าทันทีเนี่ยเขาเรียกว่ามีเทวดาคุ้มของ แต่บางอย่างเทวดาคุ้มไม่ได้นะความแก่ความเจ็บความตายนี่เทวดาคุ้มไม่ได้กรรมนี่เทวดาคุ้มไม่ได้เรื่องของกรรมต้องยอมรับกรรมไปถ้าถึงวมาจะกายมาฆ่าเรานี่เทวดาก็มาคุ้มครองไม่ได้ถึงเวลามันจะตายก็ต้องตายแต่ของบางอย่างเทวดาก็ช่วยได้บางอย่างก็ช่วยไม่ได้คำถามจากคุณอาร์ตกราบนรมสการพระอาจารย์ ถ้าเรานั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันจิตสงบแล้วไม่ค่อยฝันพอเราตายไปจะไปที่ไหนครับจะมีวิธีกำหนดจิตก่อนตายให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ไหมครับ อ, อการกำหนดจิตให้เป็นนั่นเป็นนี่กำหนดไม่ได้หรอกมันอยู่ที่บุญกรรมที่เราทำไว้การจะเป็นมนุษย์นี่ก็คือต้องบุญกับบาปต้องเท่ากัน ทำบุญเท่ากับบาปบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเกิดได้ไม่ได้ก็ต้องรอคิวเอง mm hmm. เพราะว่ามนุษย์นี้กว่าจะตั้งคันกันมันก็ต้องมีเวลามีโอกาส mm hmm. ก็เหมือนตอนที่ขับรถหาที่จอดไปถ้ายัางไ ม, ม่มีที่ว่างก็ต้องขับวนไปอยู่เรื่อ ย, อยจนกว่าจะมีช่องว่างพอมีรถถอยออกมาปั๊บเรามาได้จังหวะก็เสียบเข้าไปได้เลย ก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าบุญมากกว่าบาปก็บุญจะดึงไปสวรรค์ก่อนจนกว่าบุญกับบาปเท่ากันถึงจะลงมารอรับร่างกายของมนุษย์หรือถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอาบายก่อนจนกว่าบุญกับบาปเท่ากันถึงจะกลับมาเข้าคิวเข้าคิวมาเกิดเป็นมนุษย์ทางคำถามสุดท้ายนะครับคําถามจากคุณนบ พ่อป่วยอยู่แต่ท่านร้องอยากกินมามา่าซึ่งมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยเราไม่ให้ท่านกินเพราะเราเป็นห่วงสุขภาพท่านและท่านโกรธเราเราจะบาปไหมเจ้าคะคือมันก็อยู่ต้อว่ามันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่ทำตามใจท่านท่านก็โกรธเะนันบางทีเราต้องคิดถึงหัว อ, อกเขาหัวออกเราบ้าง เวลาเราอยากบ้างแล้วคนมาขัดใจเราเราจะคิดยังไงบางทีหวังดีกันไปมันก็ไม่ดีบางทีก็เอาว่ามึงอยากจะกินแล้วก็กินไปยิงตอนนี้อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วจะมันยังจะมาอะไรกันกับไอ้เรื่องกินใช่ไหมเขา อ, อยากจะกินอะไรก็ปล่อยเขากินไปบางทีเรามันชอบไปไปรู้ดีกว่าเขาเนี่ย เงั้นบางทีก็อย่าไปรู้ดีเลยตามใจเขาดีกว่าถ้าถ้ามันไม่ถึงกับเสียหายอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็แต่มันไม่เกิดโทษก็ทำไปเถ อ, <c oughs> อะถ้าเขาอยากจะขอดื่มสซล่าย์อย่างเงี้ยมันมีโทษก็อย่าให้เขาดื่มดีกว่าแต่ถ้าขอกินมาม่ามันไม่มีประโยชน์มากแต่มันก็ไม่มีโทษไม่มีความเสียหายอะไรค่ายเขากินไปเถอเนะ ก็จะได้มีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขที่เห็นก็มีความสุขดีกว่าทุกข์ด้วยกันทั้งสองคนเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์แล้วเราทำไปทาไมใช่ไหมใช้เหตุผลคิดดูสิใบมองเหตุผลที่ร่างกายไม่มองเหตุผลที่จิตใจจิตใจมันสำคัญกว่าร่างกายกันดูที่ตรงจิตใจนะเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา